หนึ่งที่โยมหลายคนมักจะถามอาตมา ก, ก็คือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันจตุปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันควรจะทำอย่างไรอนอกจากเรื่องของการมีศี่ให้ครบแล้วอาตมาก็แนะนาไปมักจะแนะนำไปว่าเนี่ยก็ให้ทำอะไรอย่างมีสติไม่ว่าทำอะไรในชีวิตประจำวันก็ให้ทำอย่างมีสติก็จะมีคำถามต่อไไปว่า ทำอย่างไรจริงๆจะเรียกว่าทำอย่างมีสติคำแนะนำข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นตัวอยู่ในห้องน้ำใจก็อยู่ที่ห้องน้ำไม่ต้องไปคิดถึงที่อื่นตัวอยู่บนอยู่ในห้องกินข้าวใจใจก็อยู่ที่ห้องกินข้าวไม่ใช่ไปอยู่ที่ห้องนอนหรือไม่ใช่ปอยู่ที่นอกบ้าน ตัวที่ทำงานก็แจวอยู่ที่ทำงา น, งานไม่ใช่ใจไม่อยู่ที่บ้านนึกห่วงลูกห่วงพ่อแม่หรือว่าห่วงเรื่องประตูหน้าต่างว่าโรงกรปิดล็อกดีหรื อ, อยังมันเป็นหลัก ง, ง, ง่ายๆนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่ น, เ, นเพราะถ้าตัวอยู่ที่หนึ่งใจไปอยู่ที่หนึ่งเนี่ยมันก็เรียกว่าใจลอยแล้วล่ะก็คือไม่มีสติคำแนะนาอีกข้อนึงก็คือว่า ทำอะไรก็ให้ทําทีละอย่างอย่าทำสออย่างอย่าทํา3อย่างพร้อมกันเดีย๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันนะอาจจะไม่รู้ตัวเช่นเวลากินข้าวใจก็คิดไปแล้วนะว่าเดี๋ยวไปทํางานเนี่ยเราจะพูดอะไรดีนะกับ เจ้านายหรือว่าเราจะประชุมอย่างไรดีบางทีก็คิดถึงเรื่องการวางแผนงานขณะที่กําลังอาบน้ําอยู่อันนี้เรียกว่าทำสออย่างพร้อมกันซึ่งมันทําให้ไม่มีสติอยู่กับอะไรสักอย่างเวลาอาบน้ําเวลากินข้าวก็ไม่รู้นรู้ตัวว่ากําลังอาบน้ํากําลังกินข้าวเข้าใจ มันไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ใจก็กาลังคิดเรื่องงานเรื่องการหรือบางทีก็คิดเรื่องการไปประเทศอินเดียนยจะไปสักระสองเวชนิสถานมันก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลดีแล้วนะแต่ว่าถ้าว่าคิดเรื่องนั้นเนี่ยขณะที่กาลังกินข้าวขณะที่กาลังอาบน้ำกาลังที่ถูฟันเนี่ยมันก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดมีสเตจขึ้นมาในที่นี้เนี่ยผู้คนเนี่ยสิ่งที่มักจะทำคู่กับการทำกิจอื่นเนี่ยก็คือการดูโทรศัพท์กินข้าวไปก็ดูโทรศัพท์ไปหรือว่าขับรถไปก็ดูโทรศัพท์ไปหรือพูดโทรศัพท์ บางทีทำงานเนี่ยอยู่หน้าคอมก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยทำงานไปด้วยหรือแม้แต่รดน้ำต้นไม้หรือว่าล้างจานเนี่ยบางทีก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยยุคนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นยุคที่คนเนี่ยทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันและสิ่งหนึ่งที่ทำไปคู่กับการทำสิ่งก็คือดูโทรศัพท์ มันกลายเป็นที่ใสประจำชาติหรือประจำยุคสมัยไปซะแล้วแลวคนก็ไม่ค่อยตระหนักนะว่ามันมีผลเสียอย่างไรบ้างไม่ใช่ต่อจิตใจอย่างเดียวนะมบางทีก็มีผลเสียต่องานที่กำลังทำอยู่ควบคู่กันไปด้วยดโดยพอโทรศัพท์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ย ปกติแค่ดูโทรศัพท์อย่างเดียวคนก็ไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วยิ่งทำอะไรควบคู่กับการดูโทรศัพท์ไปมันก็ยิ่งขาดสติเข้าไปใหญ่ไม่มีสติกับการทำสิ่ง น, นั้นเมื่อเร็วๆนี้มีเด็กนะเด็กผู้หญิงอายุประมาณสิคขวบแกก็ทำความสะอาดบ้านนะใช้ไม้กวาดดอกยาเนี่ยกวาดขยะ บนพื้นมือขวาก็กวาดขยะมือซ้ายก็ถือโทรศัพท์และตาเนี่ยก็จ้องมองโทรศัพท์นะไม่ค่อยได้เหลียวมาดูพื้นเท่าไหร่ที่ดูก็อาจจะเป็นเพลงอาจจะเป็นการ์ตูนนะพอ ขยะเนี่ยมันพอกวาดไปได้ก็ไปจิบที่โกยขยะเพราะว่าขยะนี่มันเยอะแล้วทั้งเศษกระดาษทั้งถุงพลาสติกแล้วก็ขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็เดินไปที่โกยขยะ แต่มื อ, องตัวนี้ไม่ว่างเนี่ยเพราะมือนึงถือถือไม้ถื อ, ไ ม, ถอไม้กวาดอีกมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์มือถื อ, ถอจะให้มือว่างเนี่ยเพื่อที่จะยิบไม้กกยขยะเนี่ยก็ต้องเอาไม้กวาดเนี่ยเป็นหนีบไว้นะที่ใต้แขนอีกข้างหนึ่งที่จับถือโทรศัพท์แลที่ถือโทรศัพท์ เสร็จแล้วก็เดินไปหยิบชีโกยขยะันนี้พอจะโกยขยะหาไม่กวาดไม่เจอไม่กวาดเป็นหายไปไห น, นเหลียวหน้าเหลียวหลังไม่เห็นไม่กวาดเอ๊ะไม่กวาดเราไปวางไว้ที่ไหนงงเลยนะไม่กวาดไปวางไว้ที่ไหน แปลกใจมากเลยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปหยิบไม้กวาดอันใหม่มาแล้วก็โกยขยะนะใส่ที่โกยขยะระหว่างที่ทำอยู่นะก็พบว่าขยะที่หนีบเอาไว้ใต้แขนเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันก็ตกลงมากระสดุ้งเลยนะเมันมาได้ไงเนี่ยไอ้ไม้กวาดเนี่ย มันหลุดมาจากหลังคาหรือเปล่างงเลยนะและ้วที่มันน่าแปลคือเมื่อสักสีห้าเดือนก่อนก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่คนนี้ไม่ใช่เด็กสิบขวบนะแต่เป็นพระนะอายุประมาณ 30-40 ก็เหมือนกันเลยนะกวาดนะฝุ่นบนสาราสารากา ร, ปรเปลี่ยน มือนึงก็ถือไม้กวาดดอกหญ้าอีกมือนึงก็ถือโทรศัพท์และใจเนี่ยก็จดจอ่อตาก็จ้องมองที่โทรศัพท์มือถือส่วนมืออีกข้างนึงก็กวาดไปกวาดแบบไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่เรียกว่ากวาดไปตามความเคยชินนะจนถ้าไปถึงหน้าหน้าโต๊ะหมู่บูชา ก็เห็นตรงอัศนะที่หลวงพ่อท่านนั่งเป็นประจำเนี่ยมันมีดอกมันมีหนังสือหนังหาวางไม่เป็นที่พระรูปนี้ก็เลยก้มลงเพื่อที่จะจัดหนังสือแต่สองมือไม่ว่างเนยนะมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็ถือไม้กวาดก็เลยจะให้มีมือว่าง2มือหนึ่งก็ต้องเอาไม้กวาดเนี่ยไปนีไป่ไว้ที่ใต้แขนอีกข้างหนึ่งที่ถือโทรศัพท์ แลก็จัดหนังสือเป็นระเบียบลุกขึ้นมาพอจะกวาดต่ออ้าวไม่กวาดหายเป็นไหนไม่รู้นะว่าไม่กวาดนี่มันอยู่ใต้รักแล้มองไปรอบๆไม่เจอไม่กวาดไม่รวาวังที่ตรงไหนท้าก็ไปหยิบไม่กวาดด้ามใหม่มากวาดไปกวาดไปต้องพัก ไม่กวาดที่หน็บไว้ใต้แขนก็ตกลงมากระแทกกับพื้นศาลาก็ตกใจเลยเอ๊ะมันมาได้ยังไงเนี่ยมองไปที่หลังคามตกมาจากหลังคาเนี่ยไม่เชื่อสายตานะว่าไม่กวาดจริงหรือเปล่าเอาด้ามไม่กวาดที่ถือในมือนี่เคี่ยๆดูนะเคี่ยไม่กวาดที่กองอยู่บนพื้นศาลาเนะ่ยใหมันจริงกว่านี้ ไม่มกกว่าจริงแล้วมันมาจากไหนเนี่ยผีหลอกเขาไปเนี่ยเพราะว่าพระรุณิพนมนะพนมือแล้วนะพนมมือไหวไหวไม่กว่านะคล้ายๆว่าอย่าหลอกผมเลยนะันมันก็คงจะไม่ใช่มีแค่สองกรณีนะก็คงจะมีกรณีแบบที่คล้ายๆกันอันนี้มันเชื่อเลยนะว่าคนเราเวลาทำอะไร2ออย่างเนี่ยโดยเพราะ ถ้าอีกอย่างนี้เนี่ยคือดูโทรศัพท์เนี่ยไอโอกาสที่มันจะทำอะไรโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีมากยกอย่างดีนะเพียงแค่กวาดขยะ ก, กวาดฝุ่นนะถ้าเกิดขับรถเนี่ยแล้วดูโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยทีแรกอาจจะดูประเดียวประดาวนะแต่พอดูปักเนี่ยมันมันึนดุจใจปุ๊บเลยและทำให้ขาดสติเพราะว่าไม่ไ โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นตัวดูดสติชั้นดีเลยไงในบรรดาปฏิจกรรมของมนุษย์ที่ผลิตมาในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ดูดสติเราได้ดีเท่าหรือได้มากเท่ากับโทรศัพท์มือถือถงั้นถ้าทำอะไรเนี่ยควบคู่ไปกับการดูโทรศัพท์เนี่ยนะแทบจะลอยท้อง้อยเลยนะถึงจุดหนึ่งก็จะขาดสติและสิ่งที่ทำเนี่ย มันก็ทำแบบไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็อาจจะผิดพลาดเคยมีดาราฝรั่งคนหนึ่งนะเมื่อหลายปีก่อนพาลูกไปเที่ยวให้ลูกนี่นั่งรถนั่งรถเข็นนะแล้วแม่ก็เข็นลูกไปบนฟุตบาทแต่ว่าระหว่างที่เข็นเนี่ยตัวเองก็ดูโทรศัพท์มือถือไปด้วย รอว่ารถเข็นเด็กเนี่ยมันไปเจอทางที่ขรุขระอาจจะเป็นร่องเป็นร่องเล็กๆแต่มันก็ใหญ่พอที่ทำให้รถนี่เกิดการกระแทกกระเทือนขึ้นมาจนกระทั่งรถนี่พลิกควม่มเด็กตกลงมานะจากรถเลยนะไปกระแทกกับพื้นฟุตบาทเนี่ย ว่ม่ น, นตกใจมากเลยแลโกรธนะไม่ได้โกรธตัวเองนะโกรธเทศบาลว่าเนี่ยทำไมทําพื้นไม่ให้เรียบทําไมไม่ทําพื้นให้เรียบนะทำไมทํามทำพื้นขูดขระฟ้องเทศบาลเลยนะแทนที่จะโทษตัวเองว่าเนี่ยเป็นพ่อไม่มีสติอันนี้คือโทษของการทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันนะนี่แค่2 อ, อย่างนะบางคนทํา3อย่างเลยนะกินข้าวไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยกับ คนที่ร่วมโตไปด้วยนอันนี้เกิดขึ้นในหลายบ้านทีเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยอะไรกันเนี่ยอาจจะคุยกับลูกลูกอาจจะ อ, อาจจะปรึกษากำลังมีปัญหาชีวิตกำลังมีปัญหาหัวใจแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยัไม่ได้ฟังเท่าไหร่เลยเพราะว่าใจมันไปอยู่กับโทรศัพท์ตามันก็อาจจะอยู่กับลูกแต่ว่าใจเนี่ยมันคอยเหลือบ ตามคอยเหลือบมองไปที่โทรศัพท์หรือถึงแม้จะไม่ดูโทรศัพท์นะแต่ว่าทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้สติเนี่ยนะมันถูกบั่นทอนงั้นถ้าเราอยากทำอะไรถ้าเราอยากจะเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องสร้างนิสัยนะคะ ทำทีระอย่างซึ่งก็หมายถึงการทําอะไรก็ตามด้วยใจเต็มร้อยนะไม่ใช่คิดแต่ใช้ชีวิตเต็มร้อยนะเดี๋ยวนี้คนพูดถึงชีวิตเต็มร้อยชีวิตเต็มร้อยซึ่งก็มักจะหมายถึงการทำอะไรลาอย่างพร้อมๆกันแต่ชีวิตเต็มร้อยจริงเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราทําอะไรด้วยใจเต็มร้อยด้วยความรู้สึกตัวเต็มร้อยมันจึงจะเรียกว่ามีชีวิตเต็มร้อย แต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคนเราเนถูกสร้างนิสัยให้ทําหลายๆอย่างพร้อมกันแมจะไม่ดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยเพราะเรามีความคิดว่าเนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นการใช้เวลาคุ้มค่านะเวลาหนึ่งนาะทีทําหลายอย่างพร้อมกัน แทนที่จะทําทีละอย่างทีละอย่างมันเสียเวลาและเดี๋ยวนี้เวลาเป็นของมีค่านะพูดกันว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองก็เลยทํำหลายอย่างพร้อมกันเลยกินข้าวไปด้วยก็คิดงานไปด้วยวางแผนงานไปด้วยหรือว่าอาบน้ําไปก็คิดเรื่องงานเรื่องการเวลาทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ตอบอีเมลไปด้วยตอบข้อความ ทาง live ไลน์ด้วยหรือว่าอ่านข้อความทางโซเชียลมีเดียอันนี้ถือว่าเป็นการใช้เวลาคุ้มค่ามันมีการส่งเสริมสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า multitasking ก็คือทำหลายอย่างพร้อมกันคนที่คิดว่าตัวเองเก่งนะ เ, ออเราต้องเราเป็นคนที่มีภารกิจเยอะเราต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันพอมมีค่านิยมเชิดชูการทำหลายอย่างพร้อมกันก็เลย ถือเป็นเรื่องเท่แต่หารู้ไม่ว่านี่มันเป็นตัวที่บั่นทอนสติทาลายสมาธิมากเลยแลย้วตัวนี้เนี่ยนะฝรั่งเนี่ยเขาก็พูดกันมากขึ้นแล้วว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันนี่มันไม่ได้ดีเลยมันมีงานวิจัยนะเมื่อส0ปีที่แล้วของมาวาลัยฮาร์วคณะคณะบริหารธุรกิจซึ่งมีชื่อเสียงมากเขาทำวิจัยเลยนะทําคนเป็นจานวน หลายพันเลยนะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเนี่ยไอการทำหลายอย่างพร้อมกันหรือที่เรามาติดทัสกิ้งเนี่ยมันมันไม่ได้ดีเลยนะมันไม่ได้ทำให้งานนี่มันไม่ได้เป็นการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าไองานที่ทามีข้อผิดพลาดมากขึ้นมีข้อผิดพลาดมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการตกหล่นในการรับรู้ข้อมูลข้อมูลที่ควรจะ ข้อมูลสำคัญที่ควรจะใส่ใจก็ตกหล่นหายไปเพราะว่าใจไม่ได้มีสมาธิอยู่กับการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นไม่ว่าจากทางข้อความที่เห็นหรือจากทางเสียงที่ได้ยินและอย่างอันนั้นคือว่าการเก็บรับข้อมูลในความทรงจำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันทำให้ความทรงจำในระยะยาวเนี่ยมันเสียไปมันถูกบั่นทอน และพอข้อมูลที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในความทรงจาเท่าที่ควรเนี่ยมันก็ทำให้การแก้ปัญหาหรือการคิดสร้างสรรค์เนี่ยบกพร่องก็เจริใ น, นพอสมควรเลยนะว่าไอการทำอะไรอย่างพร้อมกันเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมเชิดชูกันในวงการธุรกิจในวงการของคนผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมไม่ได้ดีจริงเลยนี่เขาพูดเฉพาะในเรื่องของ ผลหรือคุณภาพของงานในทางโลกนะว่างานไม่มีประสิทธิภาพมีความผิดพลาดล้วก็รวมทั้งความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการาทำงานในการเก็บข้อมูลไวในความทรงจำเนี่ยมันเสียไปในทางธรรมก็เหมือนกันนะหมายถึงว่าในแง่ของจิตใจมันก็ยิ่งเป็นตัวทำให้ขาดสติมากขึ้น งั้นถ้าเราคิดถึงเรื่องหรือเห็นความทรคจำการเจริญสตินะโดยเพราะนะการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะไม่ใช่ว่าจะต้องรอมาเข้าคอร์สไม่ต้องรอมาปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ทําได้เลยเดี๋ยวนี้ที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเนะี่ยสิ่งสําคัญอย่างนี้คือว่าหรือหลักสําคัญประการนี้คือว่าให้ ท, ทําชีนะอย่างนะ ท, ทําชีลไอย่าง อย่าที่มีคำพูดว่าเดินทีละกกินข้าวทีละคำทำทีทละอย่างทําแต่ละอย่างด้วยใจเต็มร้อยมันจะได้ทําด้วยความรู้สึกตัวแม้ว่าสิ่งนั้นสิ่งที่ทําอาจจะดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เช่นอาบน้ําถูฟันล้างจานรดน้ําต้นไม้มาจจะไม่สําคัญเท่ากับการขับรถหรือว่าการประชุมในเรื่องที่สําคัญแต่ว่าก็เป็นการเจริญสติได้ดีถ้าหากว่าเรา ทำช่อะอย่างนะลดน้ำต้นไม้ถูล้างจานถูฟันใจก็อยู่กับสิ่งนั้นมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ารู้กายนะรู้กายคือรู้กายเคลื่อนไหวนะไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปจ้องถึงขนาดนั้นแค่เอาใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ารู้กายหรือว่าเห็นกายในกายนะที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเียนว่าเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหว มันเกิดความสึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาถ้าว่าเราเอาใจไปอยู่กับสิ่งที่กําลังทําแล้วมันจะเกิดคุณนะเวลาเราอาบน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชําระกายนะมันจะช่วยชําระความหมุนมองไปจากใจความเครียดความล้าไปจากใจด้วยถ้าเกิดว่าเราอาบน้ำอยู่มีสติอาบน้ํำด้วยใจเต็มร้อยเวลากินข้าวเนะี่ยถ้าเรากินด้วย ใจเต็มร้อยเนี่ยไม่ต้องถึงกลับไปบังคับหรือไปเพ่งหรือไปกำหนดนะแค่รู้สึกเบาๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นการเติมอาหารให้กับกายแต่มันยังเป็นการเติมสติให้กับใจเยเรือว่าได้ทั้งอาหารกายได้ทั้งอาหารใจเรียกว่าทำทำหนึ่งได้สองหรือเรียกว่า two in one นะทำหนึ่งได้สอง ถา้าเราทําทีละอย่างหรือทำอย่างมีสติแต่ถ้าทำหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันอาจจะไม่ได้เลยเลยนะแทนที่จะเป็น two in one นะนะทำหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันกับไม่เกิดผลดีเลยทั้ง2 อ, อย่างขับรถแต่ว่าดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยหรือคุยไปด้วยหรือใจลอยไปด้วย บางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ที่จะถึงแล้วก็ถึงช้าข้ามถนนนะข้ามถนนใจลอยหรือว่าคิดเรื่องงานเรื่องการนะอาจจะไม่ให้คิด้วยเปิดฟุ่งซ่าแต่กำลังคิดเรื่องงานเรื่องการถือว่าข้ามถนนนะใช้เวลาให้มีประโยชน์คุ้มค่ากับคิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวก็อาจจะโดนรถชนโดนรถเฉียวถ้ามันเกิดปัญหา เราลองถักว่าสนใจเรื่องการจลสตินี่ต้องฝึกนะสร้างนิสัยทำทีละอย่างมีบางคก็สนใจธรรมะก็ถามว่าเนี่ยเอถ้าเกิดว่ากำลังทำความสะอาดเช่นกวาดบ้านแล้วก็ฟังฟังเทปธรรมะฟังคำบรรยายธรรมเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ไหมมันก็ได้นะแต่ถามว่าทำเพื่ออะไรถ้าถ้าหวังการจลสติมันก็ไม่ได้นะเพราะว่า ใจเนี่ยมันต้องคอยแบ่งไปอยู่กับสึ่งสองอย่างแล้วปกติคนเราเนี่ยนะมันก็จะจดจ่อใส่ใจก็ได้แค่อย่างเดียวในแต่ละขนาดท้าขนาดที่เราฟังคำบรรยายเนี่ยไอตอนที่กำลังกวาดเนี่ยเราก็กวาดโดยไม่รู้ตัวนะโดยไม่รู้สึกตัวเพราะใจเนี่ยไปฟังคำบรรยายหรือฟังเพลงก็แล้วแต่ นะเมื่อใจเราไปฟังคำบรรยายหรือฟังจดจ่อเสียงที่กระทบหูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวนะกับการที่กำลังกวาดขยะกวาดฝุ่นหรือขณะที่กำลังล้างจานนะหรือกำลังลดน้ำต้นไม้ก็แล้วแต่ถามว่าได้งานมันก็ได้งานนะถามว่าเออทำแล้มวมันไม่เบื่อใช่ไหมมันก็ใช่หลายคนคิดว่าถ้าเปิดเทปธรรมะขณะที่กาลังล้างจาน หรือขณะที่ทำอะไรที่มันดูดน่าเบื่อมันก็อาจจะทำให้หายเบื่อเชนะ่นบางคนชอบวิ่งนะแต่วิ่งนี่บางทีมันก็เบื่อนะเกิดว่าฟังเพลงบ้างฟังเทพธรรมะบ้างมันก็ทำให้ลืมเหนื่อยหรือว่าหายเบื่อได้นะมันก็ดีในแง่ของการที่ทำให้ออกกำลังกายได้ตามเป้าที่ต้องการได้ระยะที่ต้องการอันนี้ก็เกิดสุขภาพที่ดี หรือลดน้ําต้นไม้บางทีลดเป็นชั่วโมงเบื่อนะก็เปิดเทปธรรมะฟังเปิดเพลงฟังมันก็หายเบื่อก็ทําให้ลดน้ําได้เป็นประจําสม่ําเสมอทุกวันงานก็สําเร็จนะทำความสะอาดบ้านก็เหมือนกันรีดผ้าก็เหมือนกันนะฟังเทศธรรมะไปด้วยฟังคําบรรยายธรรมหรือฟังเพลงมันก็ทําให้ไม่เบื่อนะงานก็เสร็จแต่ว่าถามว่าได้สติไหม คงไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกหรือถ้าตั้งใจว่าหรือเห็นว่าสติเป็นเรื่องสําคัญและตั้งใจจะฝึกสติเนี่ยมันก็ต้องยอมน ะ, ท, ะที่จะที่จะทําทีละอย่างแม้ว่าใหม่ๆาจะเบื่อบ้างแต่ความเบื่อนั่นแหละนะมันก็มาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติได้ก็เห็นความเบื่อเนเบื่อแล้วถ้าว่าเป็นผู้เบือ่อแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าขาดสติ แต่เราจะฝึกเห็นไม่เข้าไปเป็นได้เนี่ยก็ต้องฝึกจากของจริงฝึกจากความเบื่อที่เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นความหมุดหงิดที่เกิดขึ้นมันโผล่มาก็เพื่อฝึกเราเพื่อเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบให้กับเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายหากว่าตั้งจิตหรือตั้งเป้าว่าเราจะอยากจะเจริญสติ นั่นเนี่ยการสร้างนิสัยนะทำทีไรอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียเวลามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใช้เวลาอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแม้กระทั่งการทํางานทางโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่าไอ้ทำสองอย่างพร้อมกันนั่นแหละที่ทําให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะและอย่างนี้จะเรียกว่า เป็นการใช้เวลาให้มีคุณค่าให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรเพราะเมื่อทาแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดขึ้นมามีน้ำซ้ำเสมองหรือว่าความสามารถในการเก็บข้อมูลความสามารถในการคิดก็ก็เสียลงเสียไปย่าไม่ต้องพูดถึงสมาธิที่ถูกบั่นทอนเพราะคนที่ทำหลายอย่างพร้อมกนันเนี่ยจะมีสมาธิจับจดมากนะ เด็กสมัยนี้เนี่ยที่ว่ามีสมาธิสั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจับจดกับอะไรหลายอย่างไม่สามารถที่จะทำหลายหลายอย่างเชื่ออย่างชออย่างหรือทำอะไรได้แต่ละอย่างได้นานๆได้เพราะว่าจิตมันบอกแจับจดแล้วที่มีสมาธิสั้นแล้วก็จิตจับจดเนี่ก็เพราะว่าเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกให้ทำอะไรอย่างมีสติหรือทำอะไรด้วยใจเต็มร้อย ซึ่งก็ฝึกได้นะเริ่มต้นในการทำอะไรทีละอย่างอัตมาตะกอเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดมาแล้วก็คิดไปทุ ก, ทกในทุกเรื่องที่ทำนะเวลาเดินไปทำงานนะเดินจากบ้านไปที่ทำงานบางทีครึ่งชั่วโมงก็หาเรื่องคิดนะคิดว่าเนี่ยเออเป็นการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพแต่ตอนหลังเนี่ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยใหม่นะ เวลาทำไรทำเชืออะไรอย่างอาบน้าถูฟันกินข้าวเดินแม้จะบินธบารหรือเดินไปไหนก็ตามก็ไม่หาเรื่องคิดถ้ามันจะคิดก็คิดขึ้นมาเองให้มันคิดมาเองแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดถึงเวลาจะคิดจึงค่อยมานั่งคิดนะถึงเวลาจะคิดค่อยมานั่งคิดนะคิดจริงๆอ่ะคิดด้วยสมาธิเต็มร้อยไม่ใช่ทำอีกอย่างนึงไปด้วยก็ปรากฏว่ามันทาได้ดีนะ ไอตอนที่ทําอะไรโดยไม่คิดเนี่ยมันก็ได้พักใจได้พักใจไม่ใช่คิดเรไรคนที่คิดเรไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ทำหลายหลายอย่างพร้อมกันแล้วพอคิดเรไรเลยเนี่ยความคิดหรือจิตใจมันเหนื่อยมันก็คิดอะไรไม่เป็นโลอเป็นพายแต่เวลาเราใช้กายทําอะไรเราก็วางความคิดลงใช้ความรู้สึกตัวถึงเวลาจะคิดอะไรก็ค่อยมาคิดมันกับคิดได้ดีนะ กับคิดได้ดีแล้วตอนที่ไม่คิดเนี่ยนะมันาจะมีมันมักจะมีความคิดดีๆผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแต่เราก็ไม่ตามมันแล้วก็วางมันซะแค่รับรู้แล้วก็เก็บมันเอาไว้เดี๋ยวพอเสร็จทุระแล้วค่อยมานั่งทบทวนเมื่อกี้คิดอะไรเราที่บิดธรรบากเพราะมันก็กลับดีกว่าด้วยซ้ํานะจากการที่เราไม่ตั้งใจคิดให้อยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยมันกลับมีความคิดที่ดีโดยที่เราไม่ได้คิดตั้งใจมัน แล้วถึงเวลาที่เราตั้งใจแล้วพอจะคิดมันก็คิดได้อย่างมีสมาธิมันดีกว่าทำลารสองอย่างพร้อมกัน